ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ลมประวิทยาลกำหมังอูตการศัตรูของพระพุทธเจ้าตอนที่ทรงบรรลุอาสวัคยานคือประยานข้อที่สามนั้นทรงบรรลุในายามสุดท้ายแห่งรัตติบรรยากาศข้างนอก ประจิตก็ขึ้นกระจากความมืดออกไปภายในพระทัยของพระองค์พระสัพพยุตยานก็บังเกิดขึ้นกระจากความมืดเกลวิชาออกไปก็เรียกว่าไม่กอดไม่หลังกันในตรงนี้พระโบราณอาจารย์ได้กล่าวไว้ว่า พระพุทธเจ้าได้ทรงเปล่งพระพุทธอุทานคำอุทานนั้นเป็นหมวดหนึ่งในนวังกสัญญูสารคือคำสอนที่ประอกอบระองค์เก้าของพระพุทธเจ้ามันเกิดขึ้นโด ย, สส ย, ยโสมนัสญาณคือญาณที่กอบรุษโสมนัสในธรรมแล้วก็เปล่งออกมาและบางครั้งก็ไม่มีใครฟัง แต่พระหันทั้งหลายเวลาท่านบรรลุราตตะพนเขาก็จะเปลี่อุทานในลักษณะอย่างนั้นแต่ข้อความตรงนี้ไม่มีในประจิตดกเป็นข้อความที่ปรากฏในอัตถกถาและพระท่านให้ความสำคัญระดับนำไว้ด้วยเพราะว่าตั้งแต่อ้อนรังคืนเป็นต้นมาเนี่ย คือตั้งแต่ตอนกลางวันเป็นต้นมาพูดง่ายๆว่าหลังจากรับข้าวมัสุปายาสแล้วนางสุชาดาแล้วก็เรื่อยมาจนบ่มเป็นเพียงและจน ส, สรูนั้นไม่ได้รับสั่งอะไรคือถ้าเราจะถือว่าเป็นการรับสั่งก็รับสั่งกับพญ า, ามานรที่ตอนมาพจน ก็มีการพูดมีการอ้างยกตัวอย่างที่บอกไว้แล้วว่าเป็นข้อความที่ไม่ปรากฏในปฏิปิฎกเหมือนกันแต่ก็ปรากฏในอัตถกถาแล้วก็ที่เกี่ยวกับประพุทธวรัตแล้วเหตุการณ์ตรงนี้ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างสําคัญคือ ต, ตอนประจนพยามานวสุวติมานเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่สําคัญแล้วก็ปรากฏในพุทธวรัติ เรียกว่าทุกส่วนของโลกเราก็นเน้นไปที่ตัวตนบุคคลดังที่ได้กล่าวไว้ในวันก่อนพรอตุททานตรงนี้ท่านเรียกว่าเป็นประสุนบุกค ล, ลคือถือว่าเป็นรับสั่งครั้งแรกของประพุทธญาก็หลังจากที่เป็นประพุทธญา ตอนที่รับสั่งกัปยามานั้นยังไม่ได้เป็นประพุทธญาณนะยังเป็นประวโิสัตย์อยู่พุทตาทานข้อ น, นี้เป็นเรื่องที่น่าศึกษาเพราะว่ามันใกล้ๆกับเป็นบทสรุปของปริยานทั้งสารประการถึงการแสดงถึงความเป็นมาในสังสารวัฏความเปลี่ยนแปลงในสังสารวัฏแล้วก็ แด้ทำลายเหตุแห่งสงสารวงคก็ทำนองคล้ายๆกับทบกทวนทบกข์ทุนใการจรดสรู้ของพระองค์ก็ความตรงนี้ขึ้นบทขึ้นบทบาลีว่าอันนี้ก็ชั่งดิสั่งสารังสันทาวิสังอันนี้ิสังนึรงตนก็แปลเป็นใจความว่าเราเมื่อแสวงหาในสร้างผู้สร้างเรืออขคือปัญหา เมื่อไม่พบในท่องเที่ยวไปตลอดชาติสงสารไม่ใช่น้อยการเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์ราไปดูก่อนนายช่างผู้สร้างเรือนคือตันหาวันนี้เราพบเจ้าแล้วเจ้าจะสร้างเรือนแก่เราอีกไม่ได้แล้วโครงสร้างเรือนของท่านเราหักเสียแล้วยอดเรือนคือวิชาเราก็กำจัดได้แล้ว อีกขอเราถึงวิสังขารคือพระนิพพานอันปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปเพราเราบรรลุธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาแล้วดังนี้ข้อความตรงนี้เพิ่งสังเกตว่าในช่วงแรกก็เป็นการสะท้อนได้เห็นถึงผู้เพยวาสานติยานของพระองค์ที่พระองค์ได้ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏเป็นนานมากนั่น รือต้องการที่จะตัดทำลายในช่างคือตัณหาผู้สร้างเรือนแล้วก็หาไม่เจอคือที่ไปที่มาของตัณหานื้อหาเขาไม่เจอแล้วก็ทำลายก็ไม่ได้ก็ได้เหตุ น, นั้นตัณหาก็นำรงไปสู่ภพชาติต่างๆแล้วเพราะตัณหานั้นยังชุดให้เกิด อาฟังบางท่านก็คงจะเคยได้ยินพระพุธธรรทธปฏิรั่ว่าตนหาชะเนติปุริสังตานายังส่วนหนเกิเคยก็สรุปรวมง่ายๆว่ากิเลสเนะี่ยเป็นเหตุให้คนมาเกิดมาโรงกหาสาเหตุของความเกิดก็ไม่เจอในกอนี้จะมีการอธิบายที่ค่อนข้างพิสดารนะตอนปฏิจจสุขกว่าเพราะว่า ปฏิจจสมุปาทที่จริงก็คือเรื่องของอาเลสันผลการเรียนว่าตายเกิดในสังสารวัตรนันก็มีแก่คนทั้งหลายแล้วข้อความเหล่านี้ถ้าเราเอาเฉพาะเนื้อหามันก็คล้ายๆกับข้อความที่รับสั่งก่อนที่จะประ น, นิพานตอนก่อนจะปรองประชนมายุสังขารหลังจากปรองประชนมายุสังขารในีรับสั่งข้อความในทํามนองเนี่ยลหลายๆครั้ง โดยใจความก็คือว่าการที่พระองค์และภิกษุทั้งหลายต้องท่องเที่ยวเวียนว่ายแต่เกิดอยู่ในสังสารวัฏเป็นนิยม เ, เพราะหาในกระบวนการของอริยสัจม่นเจอเราไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุเกิดแห่งทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ไม่รู้ควาปฏิบัติในถึงสิ่งความดับทุกข์ในเวลนี้พระองค์และภิกษุเหล่านั้นก็ได้พบ อริยสัจคือรู้แจ้งอริยสัจตามความเป็นจริงแล้ว ต, ตนาเครื่องนําไปสู่พด ต, ต่างๆก็ถูกกํำลายได้หมดสิ้นแล้วแต่ในขณะเดียวกันก็แสดงให้เห็นถึงการเกิดไปบ่อยก็เป็นทุกข์ไปบ่อยเกิดครั้งหนึ่งก็เป็นทุกข์ครั้งหนึ่งเกิดก็เป็นทุกข์แก่ก็เป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข์ คนนี้ก็เป็นที่น่าสังเกตนะครับพอเราไปดูในรายละเอียดเนี่ยดีย๋ยวในธรรมจักรวัตนาสูตรจะพูดถึงชาติปิดุขาชาราปิดุขามานําปิตุขันแต่ว่าไม่ได้อธิบายถึงสุงเกหิปิเทเวหินี่ไม่ได้พูดแต่ว่าที่เรานำมาสวดมนต์เนี่ยนะ เราก็มีแล้วข้อความตรงนี้ในที่อื่นก็มีจะมีอยู่หลายแห่งเพราะการพบในช่างผู้สร้างเรือนคือตัญหานี่ก็หมายความว่าพระองค์รู้ด้วยพระญาณก็อย่างข้อความในตอนท้ายของอาสวัคยาิที่เป็นความรู้ซึ่งเกิดพุทธขึ้นภายในประไทยของพระองค์ว่า อาสวะทั้งหลายเกี่ยวกัมาสวะประวัติสวะวิชาสวะของพระองค์ทั้งหมดสิ้นแล้วชาตินี้ชาติที่เป็นเจ้าชาตทิตตถาเนี่ยก็ถือว่าเป็นชาติสุดท้ายแต่สรับพระองค์พบใหม่ที่จะไปเกิดใหม่ก็ไม่มีต่อไปแล้วนั่นก็แสดงให้เห็นว่าการที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ทั้งหมดเนี่ยเพราะอาศัยกิเลส เป็นตวการสำคัญซึ่งอาจจะพูดว่าตัณหาอาจจะพูดตัววิชาอาจจะพูดรูปาทานหรืออาจจะพูดโลกโกรธหลงอะไรก็ได้นะเพราะว่าจริงๆกิเลสทําลายไปหมดสักข้อหนึ่งข้ออื่นก็หมดนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าทําลายที่ตัววิชาได้แล้วย่างอื่นก็หมดแต่ว่าในบางระดับอย่างการทาลายของพระญบุคคลตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปนี่ก็ยังอื่นก็ยังเหลืออยู่ ก็ดับไปเฉพาะส่วนที่ท่านทำลายได้ก็รับสั่งยืนยันถึงสถานะของพระองค์หลังจากที่สัสรูอนุตรสมาสัมโพธิญาณแล้วว่าดูก่อนในช่างผู้สร้างเรือนคือตัญหาเราพบเจ้าแล้วเจ้าจะสร้างเรือนเกื้ อ, อ, อตภาพให้แก่เราอีกไม่ได้แล้ว โครงสร้างโครงสร้างเรือนทั้งหมดเนี่ยจะหักไปแล้วโครงสร้างเหล่านี้ก็คืออะไรก็คือวิชาตะนาวปาถานการพูดง่ายๆว่ากิเลสกับกรรมโครงก็ทําลายหมดแล้วและที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือสภาพพระทัยเนี่ยสภาพพระทัยของพระพุทธเจ้าประหาร น, นั้นจะเรียกว่าวิสังขาระคตังจิตตัง คือจิตเข้าถึงวิสังขารคือปรัชจาปัจจัยเครื่องปรุงแต่งเพรานิพพานจึงไม่เป็นทั้งภพไม่เป็นทั้งชาติไม่เป็นสังสารวัฏแล้วจึงไม่เป็นอตัตตาตัวตนหลุดพ้นจากความเป็นอัตตาแล้วเข้าถึงความเป็นอนัตตาบางครั้งบางคราวเราก็ได้ยินข้อความเหล่านี้ จึงมีการกล่าวอ้าง่อาจารย์บัวว่านิพานไม่เป็นทางอัตตาและอนัตตาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะฮเพราะจริงๆคําทั้งสองคำเนี่ยเป็นคําสมมุติเรียกทั้งนั้นนิพานที่จริงมันพ้นบัญญัติแล้วมันพ้นจากความเป็นขันเป็นขันทวิมุดแล้วก็พ้นจากบัญญัติแล้วแต่ว่าเมื่อจะนํามาสื่อสารมาติดต่อกันเนี่ยมันก็ต้องมีคําเรียกขึ้นมาคำหนึ่ง ซึ่งเป็นภาษาที่สื่อสารได้เข้าใจได้แต่เราเราสังเกตดูดูให้ดีว่าในธรรมจักกวัรตรนสูตรเนี่ส่งใช้คำตั้งห้าคำเพื่อจะสะท้อนให้เห็นภาพของนิพพานและในขณะเดียวกันก็ส่งแสดงความต่อเนื่องถึงกระบวนการที่ให้เกิดการบรรลุนิพพานเนี่ยใช้คำห้าคำในหลายแห่ง จากขุกรณียานักกรณีอุปสมายาพิญญายาสัมบูทายานิพานายาตรงนี้หกคำในการดับตนาการสลับตนาการถ่ายถอนตนาการหลุดพ้นจากตนาการไม่มีความอะไรในตนาตรงนั้นก็คือสภาพของนิพานภาษาที่เรียกสื่อสารเราจะเห็นว่าพอเปล่งภาษาไปแล้วมันจะมองเป็นรู ป, ปรวัตถุได้ แต่บ้านจะสื่อสารเข้าใจได้แต่ตัวนิพพานเะนี่ยที่จริงมันเป็นปัจจัตต่างวยวิธุบม่มโยคีคือบินยโชนจะรู้ได้เฉพาะตนทีนี้เมื่อมีการพูดถึงสิ่งสูงสุดของยุคสมัยนั้นว่าเป็นอัตตาที่แยกมาจากมหาตาหรือมหาตะมันหรือปรมาตะมันก็ทำนองคล้ายๆกับชีวิตของบุคคลแต่ละคนเนี่ยเป็นหน่วยเล็กของหน่วยใหญ่ที่ย่อยออกมา หนยใหญ่ก็คือตัวปรมาตมันเมื่อเล็กก็คืออัตมันหรืออัตตาเนี่ยแยกจ้อยออกมาแล้วไปถึงจุดหนึ่งก็จะเข้าไปอยู่รวมกับสิ่งนั้นซึ่งเราจะเห็นว่าในการเข้ารวมกวับปรมาตมันหรือพรหมมันหรือมหาตมันหรือประพุ่มอะไรก็ตามนะครแล้วแต่จะเรียกเนีนเราบางยุคบางสมัยเขาเรียกรูปคล้ายๆนามธรรมาบางยุคบางสมัยคล้ายๆจะเป็นรูปธรรม บางครั้งบางสมัยก็ไม่ค่อยชัดเจนนะว่ามันมีความเป็นรูปธรรมหรืออ ร, ปปรมป์ธรรมพระที่แนวพระเจ้าเนี่ยก็จะเป็นอย่างนั้ น, นคือพระเจ้าจะแผ่คลุมอยู่ทุกคนทุกแห่งพอเพื่อนก็ทวงติง่งมาเอ๊ะถ้าอย่างนั้นก็เข้าอยู่หมดสิ้นในเชื้อโรคในอุจจาระในส้วมในเซิฟนั่นก็อยู่หมดเลยเนี่ยแล้วแทรกซึมอยู่ทุกคนทุกแห่งเออพวกนี้ก็ไม่ยอมเดี๋ยวให้ไปแทรกซึมอย่างนั้น แล้วก็บอกว่าไม่ได้อยู่ในสถานที่นั้นพอไม่อยู่ในสถานที่นั้นมันก็ไม่ได้อยู่ในทุกหนทุกแห่งมันก็กลายเป็นความกัรแจงเพราะงั้นพวกนี้มันมันลักษณะของนิพพานเนี่ยเมื่อท่านอธิบายอัตตาไว้มากมายกายกองในกัมภีร์ประเทศเวลาเราแส ด, แดงคืออุดมคติของเราเนี่ยนิพพานังปรามังวัดันติบุทธาพระพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวนิพพานว่าเป็นบรรรมธรรม ทีนี้เมื่อต้องการจะสื่อสารภาษาของนิพพานมันตึงพูดรตรงกันข้ามกับที่เขาอธิบายเรื่องอัตตาเนะี่ยที่อธิบายกันทั้งหมดเรื่องอัตตาเนี่ยตัวสภ า, าวะนิพพานเนี่ยอัตตาวิปักขภ า, าวิโตคืออยู่ตรงกันข้ามเพราะอะไรก็าตามที่อัตตา ม, มันมีในนิพพานไม่มีนิพพานมีก็ในเมื่ออัตตานั้นมันไม่มีแต่ว่าคําว่าอัตตาอนอัตตานั้นอย่าลืมว่าเป็นคําสมมติเรียกด้วยกัน จะพูดอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าในที่สุดมันมันหาข้าอยุติอะไรไม่ได้เพราะาเมื่อท่านสื่อสารมาอย่างนั้นท่านแสดงมาอย่างนั้นแต่ไม่ใช่พูดตรงๆงวันก่อนก็มีคนก็มาถามมาตรงๆรงไหมบอกว่า น, นี้ผ่านเป็นอัตตาเป็นอนัตตาอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีตรงๆงอย่างนั้นแล้วก็พูดนิพพานมาเป็นอัตตาก็ไม่มีหรอกไอ้ น, นี้ยิ่งไม่มีเลยแต่ว่าฟังแล้วก็เข้าใจอ่นะ ว่าเมื่อพูดถึงอัตตากันอยู่เนี่ยนี่ผ่านไม่มีลักษณะของอัตตาเพราะอัตตามันต้องเป็นสังขารมันต้องเป็นตัวตนถ้าไม่เป็นตัวตนมันก็มาเกิดไม่ได้อย่าลืมนัยยะของคาว่าอัตตานะนัยยะคาว่าอัตตาเนี่ยมันเป็นสังขารที่มีการปรุงแต่งมีความรู้สึกนึกคิดมีความรักมีความช่างแล้วก็เกิดพอใจติดใจในรูปประกริดแล้วก็แยกตัวเองออกมาสิงสถิตอยู่ในประกริด สิ่งสถิตอยู่นานๆชักเซ็งก็อยากจะออกจากกรงขังคือประปิดออกไปก็ทรมานร่างกายกันด้วยประการต่างๆเพราะการจะทําความเข้าใจในความหมายของคําว่าอนัตตาหรือแม้แต่สุญญตาเนี่ยมันก็ต้องศึกษาอีกด้านหนึ่งคืออัตตาให้ได้เสียก่อนถือถ้าเราพูดด้านใดด้านหนึ่งแล้วมันก็เถียงคํากันอย่างเงี้ยพูดเรื่องคําไปอย่างนี้แล้วมันไม่ใช่เรื่องคือว่าไม่ใช่เรื่องที่จะมาเถียง มันเป็นเรื่องที่จะต้องปฏิบัติในสัมผัสแล้วสัมผัสแล้วก็ไปอธิบายให้ใครฟังไม่ได้เรานอกจากว่าสมมุติเอาสมมติเรียกขึ้นมาสมมติว่าสลับสมมุติว่าถ่ายถอนสมมติว่าคลายคืนสมมุติว่าไม่มีอะไรสมมุติว่าหลุดพ้นแต่ความจริงอะหลุดพ้นมันก็ไม่หลุดพ้นจริงนะภาษาที่เราหลุดพ้นเราจะเห็นว่าพ้นไปจากคนนี้ก็ไปเจอคนอื่นน่ะมันไม่พ้นจริงอะแต่ว่าสื่อสารพอฟังได้ ให้มัฟังกันได้แต่นั่นเองแต่รู้จริงเนี่ยต้องปฏิบัติแล้วก็ต้องสบัดผลเองจึงจะรู้จริงแล้วพอรู้จริงๆก็อธิบายเต็มที่ไม่ได้อ่ะก็ได้ร้อยเปร์เซ็นไม่ได้อธิบายไม่ได้เพราะนั่นตรงนี้จึงสง่งใช้คําหลายๆคําที่สะท้อนให้เห็นสภาวะของนิพพานเช่นว่าการไม่มีอวิชชาเนี่ยก็หมายความว่ามีตรงกันข้ามก็คือวิ ช, ชา แต่จะต้องเข้าใจนะฮะคําว่าวิชาอวิชาก็เป็นภาษาสมมุติที่เรียกโดยบาลีภาษาอื่นมันก็เรียกอย่างอื่นอีกนะเพราะงั้นถ้าเราคํามาเทียงกันอย่างเงี้ยมันไม่มีที่สิ้นสุดเพราะภาษามันบัญญัติทางนั้นนะมันไม่มีปรมามัดทักอย่างนึงหเลยบัญญัติเอาบัญญัติเรียกเรียกไงก็ได้นะคือบางทีเนี่ยเราเจอว่าจากะมันก็เรียกชื่อนี้ผ่านไดเรียกตั้งแต่ในธรรมจักรกวัตตนสูตร รับสั่งว่าจิตของเราถึงวิสังขารคือพระนิพพานความวิสังขารกับพระนิพพาน่าเป็นันเดียวกันแต่จิตเนี่ยมันมีปัจจัยปรุงแต่งมันมีปัจจัยปรุงแต่งพอเข้าถึงวิสังขารมันก็ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งแต่ว่ามีโลกุตระกุศลเพราะว่าจิตเนี่ยเขาเกิดโดยลำพังไม่ได้ ก็จะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าเจตสิกนี่เข้ามาประกอบซึ่งเกิดขึ้นได้เป็นความรักเป็นความเมตตาเป็นความยินดีอะไรต่ออะไรก็ตามเนี่ย น, นะโดยสรุปว่ามันก็ต้องมีเจตสิกนี่เข้ามาประกอบเรีวยว่าเป็นโลกุตระเพราะงั้นเวลาเราพูดก็พูดถึงภพภูมิต่าง เป็นพบสามคือการมาพบรู ป, ปรพบป ร, รุงพบปเป็นภูมิเป็นสีเพราะโลกุตระภูมิมันไม่มีพบไม่มีพบที่จะไปบังเกิดแต่พวกที่ไม่เกิดในพบจริงๆนะเอาเฉพาะพระอระหันต์สามจำพวกคืออรหันต์ตัสมาสมุทัเจ้าปเจกุพุทธเจ้ า, รจ า, รจาอารหันตสาวกเท่านั้นนะส่วนพระยะบุคคลอีกสามระดับก็ยังเกิดอย่างน้อยตัวเาอีกหนชาติเพียงแต่ว่าไม่เกิดเึินเจ็ชา ต, ตินั้นเอง หลังจากกดจากกดเกณฑ์ตรงเนี้ยทําให้เราเห็นถึงเรื่องตรงนี้เป็นการพูดเรียกว่าวัฏฏามีกุศลคือพ้นจากวัฏฏะไปแล้วแต่อย่าลืมว่าถ้าหากว่าเงื่อนไขเดิมมันยังมีอยู่หมายความมายังไงหมายความว่าตัญหาผู้สร้างเรือนยังอยู่การสร้างเรือก็คงเกิดขึ้นนะเมื่อตัญหาอยู่มันก็ต้องมีกรรมเป็นธรรมดามันมีตัญหาก็ต้องมีประธานเบื้องฐานก็ต้องมีกรรม กรรมก็นำไปสู่พบต่างๆหยาบบ้างกลางบ้างละเอียดบ้างก็แน่นแต่ธรรมะในส่วนของวัตรามีกุศลคือระดับที่ต้องหมุนวนอยู่ในสังสารวัฏเน่จึงมีมากกว่าธรรมะระดับที่เป็นโล ก, กุตระอะไรเพราะว่าโล ก, กุตระเอากคจริงแค่มรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งเท่านั้น่านั้นก็เป็นโลกียะทางนั้น เป็นการแสดงถึงว่าในแง่ของความจริงที่แท้จริงสรับใดที่ยังมี ก, กิเลสกรรมอยู่พวกเรานี้จะนำคนไปสู่ภพแบะบ้างกลางบ้างละเอียดบ้างสุขทุกข์ในด้านต่างๆอย่างที่ปรากฏในอะไรล่ะในพระยานข้อที่หนึ่งกับข้อที่สองนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในพระยานทั้งสองข้อนี้ ทั้งสามข้อที่ว่าไว้โดยลําดับเนี่ยพยานสองข้อแรกเนี่ยเป็นโลกุตระก็ได้เป็นโลกิยาก็ได้แต่พยาณข้อสุดท้ายเนี่ยเป็นได้เฉพาะโลกุตตะแล้วก็คนที่ทําได้สมบูรณ์มีเฉพาะพระะอรหันเท่านั้นเพราะเลยเพราะว่าพระอนาคาพระโสดาสกีอนาคาอนาคายังละอวิชชาไม่ได้อวิชชาเป็นสังโยชน์อยู่ลึกที่สุด ราก ง, ง่าวของสัพพกิเลทสทั้งหลายทีนี้ถ้าเราต้องการให้มีพุชาติประณีคุณภาพจิตปิประณิตรวดลดจริงๆก็คือลดอวิชาเมื่อเราลดอวิชาลงเนี่ยโลภะมันก็ลดลงโทสะก็ลดลงริษยาก็ลดลงจิตใจก็บริสุทธิ์ขึ้นบริสุทธิ์บ้างน้อยก็แล้วแต่นะบางทีก็เรียกจางคลายบรรเทาไปคือพูดโดยทั่วๆไปจะไม่พูดแบบละ ละมันไม่ช่ง่ายนะกิเลสเนี่ยสูรบปรบมือกันมาทั้งหลายพบหลายชาติแล้วก็สดมากก็แพ้ก็อยู่เล ย, เยแต่ว่าพระพุทธเจ้าก็เป็นแบบอย่างให้เราเห็นว่าแต่เราเข้มแข็งจริงๆเราต่อสู้จริงๆเนี่ยเอาชนะให้หมดเกลี้ยงได้เลยกำจัดมารและเสนามานนะในตอนสุดท้าย เ, ยเราจะเห็นว่า ท่านจะพูดถึงพระพุทธเจ้ากับกำจัดมารกับศนามารในตอนพุทธอุทานะนะเพราะงั้นตรงนี้ระดับของวัตตะเนี่ยเราก็ตกแต่งพรชาติในปรรณีพยายามลดความเข้มข้นของตัญหาของมานะของทิฏฐิต่างๆเนี่ยอย่ามันมากเกินไปคืออย่าถึงก็รทำทุติยริตตามแรงผลักดันของกิเลสแล้ว และพยามประพฤติ ธ, ธรรมมันสุจริตคือหมายความมันก็ควบคุมแรงเวียงของพวกกิเลสเหล่านี้ไปได้และการสำคัญใน ร, ระดับวัตกรรมีกุศลเนี่ยมันก็เป็นอย่างที่พระเจ้าทรงแสดงแก่พระเจ้าสุโทโธทนะพระพุทธบิดาและก็พระปริยรยาตั้งยเนี่ยก็ไพเราะแล้วมันก็คลุมหมด ธรรมันเจริสุจริตต่างณ ห, หนังรุจริตต่างเลรพึงประพฤติธทมให้เป็นสุจริตอย่าประพฤติธทมให้เป็นทุจริตตึกหมายความว่าจะต้องมีปัญญาในการวิเคราะห์สรวจสอบปฏิบัติอะไรปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติไปเพื่ออะไรปฏิบัติแล้วประโยชน์มันจะเกิดอะไรขึ้นมาถ้าเกิดประโยชน์ก็แสดงว่ามีความเป็นสุจริต ถ้าไม่เกิดประโยชน์เกิดโทษก็แสดงว่ามีความเป็น ร, รุนแรงมันก็กลายเป็นมาสเป็นเครื่องวัดในหลักการดำเนินชีวิตของบุคคลได้เป็นอย่างเดียวเพราะฉะนั้นตรงนี้พระพุทธเจ้าก็ส่งปฏิบัติจนบรรลุผลสูงสุดให้ดูพระเจ้าก็ผ่านกระแสของกิเลสที่มีมีชื่อต่างๆจนเข้าถึงจุดที่สมบูรณ์สูงสุด นั่นก็คือการขาจัดอาสวะกิเลสให้หมดไปสิ้นไปจากพระไทยของพระองค์โดยไม่มีโอกาสจะกําเริบขึ้นมาได้อีกเหมือนกระตานยอดด้วนไม่มีโอกาสที่จะงอกงามเจริญเติบโตขึ้นมาได้อีกหนึ่งต้องฟังท่าไหายแต่โรคบัพธิยานในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงต่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณในธรรม